มีเรื่องเล่าว่าสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จไปเมืองอารวีเพื่อไปโปรดสัตว์นะแสดงธรรมกับญาติโยมที่นั่นที่จริงพระพุทธองค์เคยเสด็จไปที่เมืองนี้มาก่อนแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ทรงแสดงธรรมเรื่องมรณสติคือการพิจารณาถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเรา แล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกของช่างผูกหรือช่างอทอผ้าฟังแล้วก็ได้น้อมนำเอามรณสติไปปฏิบัติคือพิจารณาถึงความตายของตนทุกคืนทุกคืนติดต่อกันอันนี้พอ เธอได้ทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จมาก็ดีใจปรารถนาจะไปฟังธรรมจากพระองค์แต่ว่าเช้าวันนั้นเนี่ยบิดาของเธอก็บอกให้เธอเนี่ยกรอได้ให้เสร็จแล้วก็เอาไปส่งที่โรงทอผ้ า, าเธอก็ รีดทำงานให้เสร็จระหว่างที่เดินไปเพื่อที่จะไปส่งงานให้พ่อเนี่ยต้องผ่านนะตรงจุดที่พระเจ้าแสดงธรรมที่แรกก็คิดว่าไปส่งงานซะก่อนนะค่อยกลับมาฟังธรรมแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจนะคิดว่าฟังธรรมก่อนดีกว่าเราถึงค่อยไปส่งได้ให้กับพ่อ พระพุทธองค์เนี่ยทรงจำหญิงสาวคนนี้ได้ เ, เมื่อเธอมานั่งพระองค์ก็ถามเธอว่าเธอมาจากไหนเธอก็ตอบว่าดิฉันไม่ทราบค่ะแล้วเธอจะไปไหนเธอก็ตอบเหมือนกันว่าไม่ทราบค่ะพระองค์ก็เลยถามว่าเธอไม่ทราบหรือ เธอก็ตอบว่าดิฉันทราบค่ะพระองค์ก็ถามต่อไปว่าเธอทราบหรือนะเธอก็ตอบว่าไม่ทราบค่ะคนฟังก็เกิดความไม่พอใจว่าที่นางตอบอย่างนี้เนี่ยนะเป็นการนะเหมือนกับกวนหรือว่าไม่ตอบตอบไม่ตรงคําถามเล่นลิ้นนะก็ไม่ไม่พอใจนะ เธแต่ผู้เจ้าก็ปราหมห้ามปรามคนเหล่านั้นแล้วก็ถามหญิงสาวคนนี้ว่าทําไมตอนที่พระองค์ถามว่าเธอมาจากไหนจึงตอบว่าไม่ทราบเธอก็ตอบว่าเข้าใจพระองค์เนี่ยถามว่าก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยในอัตภาพ หรือในชีวิตนี้เนี่ยเธอมาจากไหนเธอก็ตอบว่าเธอไม่ทราบไม่ทราบว่าก่อนจะเกิดมาเนี่ยมาจากไหนแล้วก็คำถามที่สองที่พระองค์ถามว่าเธอจะไปไหนเธอก็เข้ า, จาใจพระองค์จะถามว่าเมื่อตายแล้วจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเหมือนกัน คำถามที่3ที่เจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอไม่ทราบหรือเธอก็เข้าใจผู้เจ้าจะถามว่าเธอไม่รู้หรือว่าจะต้องตายเธอก็ตอบว่าทราบก็คือรู้แน่ว่าจะต้องตายส่วนคำถามที่4นะเธอเข้าใจผู้เจ้าถามว่าเธอรู้หรือว่าเธอจะตายเมื่อไรเธอตอบว่าไม่ทราบ ก็ปรากว่าเป็นคำตอบที่ตรงกับคำถามคือพระพุทธองค์เนี่ยตั้งใจจะถามแบบนั้นแหละคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะแต่ว่ า, า, าลูกสาวาช่างทอผ้าคนนี้เธอเป็นคนฉลาดอายุก็ 16-17 เท่านั้นแหละเธอเข้าใจนะเพราะว่าเธอจเจริมอราวนักสติเป็นประจำแล้วก็มีสติปัญญา้าคนที่ เข้าใจผิดว่าเธอเล่นลิ้นนะเจฟีป่านี่ก็เลย อ, อนุโมทนานในความมีสติปัญญาของเธออันนี้เราจะนั่งพระองค์ก็แสดงธรรมจอไปแล้วพระองค์มาที่เมืองอรารวีก็เพื่อแสดงธรรมให้กับหญิงสาวคนนี้แหละพระองค์กตรัสว่าในโลกนี้ ม, มืดมืดมิดนักน้อยคนจะเห็นแสงสว่างน้อยคนที่จะไปสวรรค์ เหมือนกับนกที่น้อยตัวที่จะบินออกจากตากข่ายได้เธอฟังก็บรรลุ ธ, ธรรมนะเป็นพระโสดาบันคาถาสั้นๆอันนี้มีความหมายมากนะว่าคนเรานี่ส่วนใหญ่ก็รว้แล้วแต่หลงอยู่ในความมืดมิดถูกครอก่อบงนด้วยอวิชชาแล้วก็ เหมือนกับว่าถูกตักด้วยอำนาจของตันหาราคะจะเรียกว่าถูกมารคอยดักเอาไว้ก็ได้เหมือนกับนกที่ถูกดักไว้ด้วยตาข่ายน้อยคนนะที่จะออกจากกับดักแห่งมารเหมือนกับนกน้อยตัวนะที่จะออกจากตาข่ายีิคุมนกทั้งฝูงเอาไว้ได้ แค่เพียงเท่านี้นางก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเสร็จแล้วก็ไม่ลืมหน้าที่ที่ต้องทำนะก็คือว่าเอาเอางานไปส่งขณะที่เธ อ, อไปถึงโรงงานที่ทอผ้าบิดานี่หลับอยู่ยขณะที่เธอมาถึงก็เอากระเช้าเนี่ยตะกร้าเนี่ยใส่ได้เนี่ยวางไว้มันก็ส่งเสียงดัง นะช่างหูช่างทอผ้านี่ก็ตกใจก็ด้วยอารามไม่รู้ตัวก็เอากระสวยเนี่ยพุ่งเข้าไปอันนี้คงเป็นปฏิกิริยาสัตว์กระสวยเข้าไปทิ่มที่หน้าอกนะของเธอประกว่าตายคาที่ซึ่งอันนี้มันก็มันก็ตรงกับนะกับเรื่องราวของเธอนะที่เธอบอกว่า ความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้รู้แน่ว่าจะต้องตายแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่พูดอยู่หลัดๆนะไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเธอก็สิ้นชีวิตแต่ว่าเธอตัดสินใจได้ถูกแล้วนะที่มาฟังธรรมจากพระเจ้าก่อนที่จะไปหาพ่อถ้าเธอตาตามความผิดเดิมนะคือไปหาพ่อก่อน เอางานไปส่งก่อนแล้วกลับมาฟังธรรมก็อาจจะไม่ได้ฟังธรรมเลยก็ได้และถ้าเธอไม่ได้มาฟังธรรมก็จะไม่บรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันก็เรียกว่าอ่าวุฒิวิทีเดียวนะเพียงตัดสินใจพลาดนิดเดียวก็อาจจะหมดโอกาสที่จะอ่าเป็นพระโสดาบันได้เพราะว่าความตายบางทีมาเร็วมากนะ บางทีคิดว่าคิดว่าเออไปฟังธรรมก่อนอาไปไปหาพ่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาฟังธรรมอาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยก็ได้อย่างกรณีแบบนี้หลายคนก็มักจะบอกว่าเออแกแล้วค่อยมาปฏิบัติธรรมนะหรือว่าปีใหม่ค่อยมาปฏิบัติธรรมนะ้ความคิดแบบนี้นี่อาจจะเป็นความประมาทก็ได้เพราะว่าอาจจะไม่ได้มีชีวิตถึงปีใหม่หรือว่าอาจจะไม่ได้มีชีวิตจนถึงแก่ก็ได้ พราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่สําคัญนะที่เราคิดว่าควรทําหรือว่าต้องทำเนี่ยนะเราควรจะรีบทําเลยนะไม่ควรผัดผ่อนเพราะว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนมีอีกเรื่องนึงคยคลายกันนะคยคลายกันในเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิต เป็นเรื่องของท่านภาหิยะท่านภายินี่เดิมก็เป็นนักพรตนะที่ทำทำทำเคร่งนะที่จริงอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าความเคร่งของท่านก็ทำให้คนเนี่ยศรัทธานับถือยกย่องว่าเป็นพระอารหันต์แล้ววันหนึ่งนะก็มีเพื่อนซึ่งเป็น มีเทวดาซึ่งเคยเป็นเพื่อนของท่านในชาติก่อนมากระสิบบอกว่าพระอารหันต์ที่แท้มีอยู่อยู่ที่เมืองเชตวันก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละภัยยานี่ตาสว่างเลยนะเรียกว่าเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยนะเดินทางไปเมืองเชตวัน เดินเท้าเปล่าเนี่นะเดินเรียกว่าไม่ได้หยุดเลยตามเรื่องก็บอกว่าระยะทางร้อยยสิโยชน์ร้อยิบโยชน์นี่มันก็เป็นร้อยร้อยกิโลนะบางที่ก็บอกกว่าเป็นพันกิโลนะเอาเป็นว่านะมันไกลมากภาัยยานี้ก็เดินนะไม่ได้หยุดเลยนะทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งไปถึงเชตาวันตอนเช้าก็เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้า กำลังจออกบินธาบาตพอภัยยะเห็นพระพุทธเจ้าก็รีบตรงเข้าไปก้มกราบแล้วก็ทูลขอให้พระองค์แสดงธรรมกลางถนนเลยพระพุทโธงก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่เวลาแต่ภัยยะก็ยืนยันนะถึงสามครั้งแล้วก็อ้างหรือให้เหตุผลว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงนะความไม่ความไม่จรลังนะคือ ความไม่จริังของตนหรือของผู้เสด็เจ้านี่นะภยานที่กลัวกลัวว่าจะไม่มีโอกาสก็เลยขอให้พระองค์แสดงธรรมเดี๋ยวนั้นเลยพระองค์ก็เห็นว่าภัยยานี้ซึ่งซึ่งเพิ่งเดินทามาถึงตอนนี้ก็คงจะหายเหนื่อยลแล้วแล้วก็จิตใจก็เริ่มเย็นลงแล้วตอนแรกๆนี้เรียกว่าเรารุ่มเราร้อนมาอยากฟังธรรม พระองค์ก็คงเห็นว่าจิตใจที่เร่าร้อนนะัอยากฟังธรรมนี่มันไม่เอืึดต่อการที่จะเห็นธรรมได้แต่พอที่พอพระองค์ได้ปฏิเสธเป็นครั้งที่ครั้งที่สามแล้วเนี่ยหายยาก็ใจก็เริ่มสงบลงพระองค์ก็แสดงธรรมนะข้อความก็สั้นๆก็มีว่าเมื่อเห็นสัตดาว่าเห็นเมื่อได้ยินสัตดาแตว่าได้ยิน เมื่อทราบก็จักวสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งก็สักแต่วรู้แจ้งรู้แจ้งในที่หมายถึงว่าวิญญาณหรือการรับรู้นะเมื่อนั้นเธอจักตัวเธอจักไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแล้วก็ไม่มีทั้งในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์พอได้ฟังทำเช่นนี้พระอิยาคก็บรรธรรมเป็นพระอรหันต์เลยกลางถนนเลยนะ ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่บรรลุธรรมหรือตัดสุลุได้เร็วเป็นเอตทัคค ะ, ะในด้านนี้ทีเดียวแล้วก็เมื่อรู้ธรรมแล้วก็ตั้งใจจะออกบวชก็เลยรีบออกไปเพื่อที่จะไปหาบาทหาจิวอแต่ปรากฏว่าเดินออกไปไม่ท่าไรยนะเข้าไปในตลาดก็โดนวัวขึิดตายก็เรียกว่าจบนะ ซึ่งอันนี้ก็ก็สอดคล้องกับที่ท่านได้พูดเอาไว้ว่าเนี่ยอยากจะรู้ทำเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนไม่ว่าชีวิตของท่านหรือชีวิตของพอระพุทเจ้าก็อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นขอฟังทำเดี๋ยวนี้เลยถ้าเกิดว่าเกิดผัดผ่อหรือรังรอไปนะก็อาจจะไม่ได้ฟังทำเลยก็ได้เพราะว่าอาจจะตายเสก่อน ทั้งสองกรณีนะทั้งเรื่องของลูกสาวช่างหูวแล้วก็ท่านภริยานี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าความตายนี่มันมาเร็วมากอย่างที่คาดไม่ถึงและถ้าหากว่าตาบได้ที่ยังมีลมหายใจอยู่นะตาบนั้นก็นะับว่าเป็นเป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้เข้าหาธรรมเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสอย่างนี้จะมีอยู่ได้นานเท่าไหร่ ที่ดาช่อนหูก็หรือว่าลูกสาวช่องหูตัดสินใจที่จะไม่ตัดสินใจที่จะไปฟังทำก่อนที่จะไปหาพ่อเพราะรู้ว่าอะไรอไรมันก็ไม่แน่เช่นเลยกับท่านภรยยะขอฟังทำเดี๋ยวนั้นเลยเพราะรู้ว่าพ่อไม่แน่ใจว่าโอกาสอย่างนี้จะมีได้นานเท่าไหร่แล้วก็มีไม่นานจริงๆ อันนี้ก็เป็นอุทาหรสอนใจาราณว่าขณะที่เรายังมีโอกาสยังมีเวลานะก็ต้องรีบนะช่วงชิงโอกาสนั้นไม่ใช่ช่วงชิงในการที่จะไปเศรไปเที่ยวไปเล่นนะเพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตในขณะที่เรายังมีกาลังวังชาอยู่นะยังมีสุขภาพดียังมีอ่าสมองที่จะ ใครครวรยังมีจิตใจยังมีสติที่จะใช้ในการพิจารณาทำนะก็ต้องรีบทำนะเสียแต่เดี๋ยวนี้อย่ารั้งรออย่าผัดผ่อนอันนี้รวมถึงการทําความดีอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะแค่การมาฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมการทําความดีกับผู้ที่มีพระคุณนะการให้เวลากับคนที่เรารักนะ ในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นงานสหรับชีวิตของผุุ้ชนแต่ว่าถ้าหากว่าเราลังรอผัดผ่อนพราเห็นว่ามันยังมีเวลาทำเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ขอทำอย่างอื่นก่อนไอ้อย่างอื่นก่อนคืออะไรอย่างอื่นก็จะเป็นงานการพอมันมีเส้นตายคนเราเนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีเส้นตายสิ่งที่มีกาหนด เวลาที่แน่นอนโดยเพราะงานการนี่มันมีเส้นตายต้องส่งงานวันนั้นวันนี้คนก็ทุ่มเทให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก่อนส่วนเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ดีการทำความดีก็ดีการให้เวลากับพ่อแม่การให้เวลากับคนรักสิ่งเหล่านี้มันไม่มีเส้นตายทำเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ลังรอผัดผ่อนไปอันนี้เป็นความประมาทเพราะว่าสุดท้ายอาจจะไม่ได้ทาเลยเพราะว่า เขาเรานะ่าอาจจะไปซะก่อนหรือว่าเราเองนั่นแหละไปซะก่อนเราต้องตระหนักว่าเวลาของเราเองแล้วก็เวลาของคนที่เรารักนั้นเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆดังะะนั้นเนี่ยอย่ารังรออย่าผัดผ่อนอย่าคอยนะต้องรีบทำการปฏิบททัตนะิธรรมการฝึกฝนตนก็เช่นเดียวกันนะเป็นสิ่งที่เราต้องรีบทำอย่างที่ผู้ไว้เมื่อวานนี้ว่า มันเป็นโอกาสทองแล้วเราก็ต้องอย่าให้มันเสียของนะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีการที่เรามีศักยภาพนะที่จ ะ, ะพ้นทุกเข้าถึงความสุขอันประเสริฐหรือว่ามีสรภาพทางจิตก็ดีนี่มันเป็นเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากที่เราไม่ควรจะปล่อยให้มันร่วงเลยไปหรือไม่ได้ ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เท่านไม่งมั้นรรยากาศเป็นการเสียของไปมรการทำให้โอกาสทองหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายอยแล้วก็ตามนะแม้ว่าจะพูดว่าเราควรเร่งทำความดีนะไม่ควรรั้งร้องไม่ควรผัดผ่อนนะแต่ว่าก็อย่าให้ให้มันเร่งจนอย่ารีบจนรนนะ อย่ารีบจนรน้อนะเพราะว่าเมื่อเราสมมติว่าเราตัดสินใจที่มาปฏิบัติธรรมแล้วนะใจเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปคิดว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วนะชีวิตเรานี้เวลา เ, าเหนือเหลือน้อยแล้วเราก็อายุมากแล้วหรือถึงอายุไม่มากเวลาที่มีอยู่อาจจะเหลือน้อยก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นต้องรีบทํา และพอรีบทําหลายคน่าจะคิดว่าต้องรีบทําให้เสร็จเร็วๆนะรีบทำนี้ให้เสร็จเร็วๆจะได้ไปทําอย่างนั้นไอ้ความคิดแบบนี้หรือท่าทีแบบนี้ก็มันก็อันตรายนะเพราะทำให้เราเนี่ยรนแม้ว่าเราจะมีชีวิตหรือในโลกนี้ไม่รู้นานเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่ว่าแต่เมื่อเราตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรม เราก็ต้องน้อมใจให้อยู่กับปัจจุบันนะการอยู่กับปัจจุบันสำคัญมากจะไปคิดว่าเวลาทำอะไรเนี่ยไปคิดถึงสิ่งที่เราจะทำข้างหน้าคิดแต่จะทำให้เสร็จเร็วๆเพืดด่อจะไปทำสิ่งอื่นต่อไปถึงแม้ว่าเรายังมีหน้าที่จะต้องทำทั้งกับตัวเองก็คือการปฏิบัติธรรม การให้เวลากับคนรักพ่อแม่หรือลูกหลานครูบาอาจารย์แต่เมื่อเรามาถึงนี่นะเราก็ต้องวางเรื่องอื่นก่อนนะเรามามาถึงนี่มาวัดป่าสุกโตเราจะมาเจริญสติก็ต้องวางเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่อ ง, องลูกเรื่องหลานเอาไว้ก่อนนะใจอย่าไปจดจ่อว่านี่ฉันต้องรีบปฏิบัติทําเร็วๆจะได้กลับไปที่บ้านนะไปดูแล โปรดนิบัติท่านถ้าคิดแบบนี้นี่มันก็จะทําให้เสียโอกาสเหมือนกันเพราะว่าการอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องสําคัญมากไม่ว่าเราจะมีเรื่องสําคัญรออยู่มากน้อยแค่ไหนตราบใดที่มันจะเป็นอนาคตก็ต้องวางเอาไว้ก่อนเราต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนะหมายความว่าอย่างไรนะปัจจุบันในที่นี้เนี่ย มันไม่ใช่ปัจจุบั น, นาการที่มีช่วงเวลายาวๆแต่มันหมายถึงขนาแต่ละขณะที่เกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันคือใจอยู่กับแต่ละขณะแต่ละขณะรับรู้ตามทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะปัจจุบันยังหมายถึงสิ่งที่เราต้องทมต้องเกี่ยวข้องในแต่ละแต่ละขณะด้วยเช่ขนขณะที่เราทำครัว นะขณะที่เรากำลังซักผ้านี่คืองานที่เราต้องเกี่ยวข้องอยู่กับปัจจุบันก็คือว่าใจเราอยู่กับงานนะั้นอยู่กับการทำครัวอยู่กับการซักผ้าให้กระาใจณปัจจุบันนี้ไม่ได้แปลว่าเวลาแต่ละขณะแต่ละขณะเท่านั้นแตยังหมายถึงว่าสิ่งที่เราต้องทาต้องเกี่ยวข้องในแต่ละขณะแต่ละขณะด้วยสิ่งน่าจะเป็นงานภายนอกนะเช่น ทำครัวซักผ้าหรือว่ากวาดลานวัดเนื่องจะเป็นงานภายในก็คือนะดูตามดูรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะอันนั้นถือว่าเป็นเป็นงานนะงานที่เราต้องเกี่ยวข้องต้องทำในแต่ละขณะแต่ละขณะก็เรียกว่าปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันทือเอาใจใส่ลงไป นะในงานที่เราทํามีสติตามรู้ทันนะตามรู้หรือตามทันในทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไปคิดเรื่องอดีตไม่ได้ไม่ได้แปลว่าปฏิเสธเรื่องการนึกคิดถึงอนาคตนะคิดได้นะถ้าว่าเราตั้งใจคิดแต่ที่ท่านบอกว่า อย่าไปให้ปล่อยวางอดีตและอนาคตเนี่ยท่านหมายเพราะว่าอย่าไปคิดด้วยอย่าปล่อยใจลอยก่อติดอดีตด้วยความไม่รู้ตัวยังไม่มีสติทำให้เกิดอารมณ์เราห้อยหาผู้ง่าคือไม่ต้องไปคิดถึงมันด้วยอารมณ์อย่างที่บทสวดที่เราสวด อ, อยู่บ่อยๆเนี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง คือปล่อยใจลอยและทําให้เกิดอารมณ์ตามมาจนความเสียใจความเศร้าใจความโกรธเคืองอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทําหรือว่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงใจลอยไปนึกถึงเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเวร้ายแล้วก็ทําให้เกิดความกังวลเกิดความประวงขึ้นอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทําแต่ถ้าเกิดว่าเราจะย้อนคิดไปถึงอดีต เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขาหาบทเรียนนะอันนี้ทําได้พ้อง่ายคือว่าฉันไม่ให้ไปคร่ําควรวญกับอดีตแต่ใคร่ควรวญอดีตได้นะแตกต่างกันนะคร่ําควรวญอดีตเนี่ยมันเป็นความหลงแต่ใคร่ควรวญอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาตอนที่เราใค ร, คร่ครวญอดีตนะ ด้วยความตั้งใจอย่างมีสติอันนั้นคือปัจจุบันละการคิดถึงเรื่องอดีตนะถ้าคิดด้วยความตั้งใจไอ้เรื่องนั้นเหตุการณ์นั้นมันเป็นปัจจุบันได้เพราะว่าปัจจุบันหมายถึงว่ากิจที่เราต้องทำต้องเกี่ยวข้องในแต่ละขนาดแต่ละผนาะบางครั้งเราต้องกลับไปใคร่ควรวญเหตุการณ์ในอดีตเพื่อทบทวนชีวิตที่ผ่านมาอันนั้นถือว่าเป็นงานนะและงานที่เรา ต้อเกี่ยวข้องแต่ละขณะแต่ละขณะก็เลือกเป็นปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยยังควบคุมยังครอบคุ ม, คคมหมายถึงการที่เรานะให้ควรอดีตรวมทั้งการวางแผนอนาคต ด, ด้วยตอนที่เรานึกถึงอนาคตนึกถึงการวางแผนถ้าเราทํายังมีสติตอนนั้นก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะแล้วเมื่อเราทําแล้วก็ตามจะอยู่กับสิ่งนั้นอย่าลุกลี้ลุกลน อย่าไปอย่าเป็นนึกถึงเรื่องอื่นที่ยังมาไม่ถึงอย่าไปนึกถึงงานการที่ยังค้างคาอยู่อย่าไปนึกถึงเรื่องสําคัญที่เรายังต้องทําแต่ยังไม่ได้ทำนะอันนั้นต้นวางเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ก่อนแม้ว่าเราจะรู้อยู่ว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสกลับไปดูแลพ่อแม่กลับไปดูแลลูกหลานหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเกิด เรื่องปัจจุบันทันด่วนระหว่างทางก็ได้นะอันนี้มันไม่แน่นอนนะอย่างที่เกิดกับลูกสาวช่างหูกหรู้ว่าที่เกิดกับท่านพะยิะแต่แม้แม้กระ น, นั้นก็ตามไม่ว่ามันจะสาคัญแค่ไหนเราก็ต้องวางเอาไว้ก่อนเวลามันจะเหลือน้อยเพียงใดก็ต้องวางเอาไว้ก่อนให้เราอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีไม่เร่งไม่รีบนะ บังคนไปเข้าใจผิดว่าโอเวลาเราเหลือน้อยแล้วเพราะฉันต้องรีบต้องรีบาการรีบนั่นแหละที่จะทำให้เราไม่สามารถจะทำปัจจุบันให้ดีได้นะปัจจุบันก็ทำได้ไม่ดีส่วนอนาคตหรืองานที่จะต้องทำก็ยังไม่มีโอกาสที่จะทำมันก็เสียทั้งสองอย่างนะแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะอนาคตเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตให้เราอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก็มีเรื่องนะเล่านะเป็นเรื่องของพระอนนท์พระอนนท์เนี่ยนะท่านตอนที่พระเจ้าปณิธานท่านยังเป็นพระสวสดาบาลอยู่เลยแต่ว่าท่านเป็นคนสําคัญมากเป็นพระหูสูตรเพราะาท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับพระ เ, เจ้าเยอะท่านสามารถจะทรงจําคําสอนของพระ เ, เจ้าได้มากมายแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อมีจะมีการสังเคานานะหลังจากที่พระเจ้าบริณิพานสามเดือนเนี่ยก็จาเป็นที่ต้องมีพระอนุลเนี่ยมาร่วมสังคานาด้วยแต่ว่ามีปัญหายอย่างหนึ่งคือว่าผู้ที่จะเข้ามาสังคานาได้เนี่ยต้องเป็นพระอาหารหันต์กำหนดไว้มีห้ารยรูปนะพระอาหารหันต์ที่จะมาร่วมสังคานาเนี่ยสีรารูปเนี่ยกำหนดไว้แล้ว รอแต่พระอานนท์ท่านเดียวแต่พระอานนท์เนี่ยก็ต้องก็ต้องเป็นพระอาารันให้ได้นะถึงจะมาร่วมสังเกตนาท่านเพรานะั้นท่านท่านก็ทําความเพียรเต็มที่เลยนะก่อนที่จะถึงวันสังเนานี่ท่านทําทําความเพียรเต็มที่แต่ยังถึงว่าสุดท้ายนะจนถึงว่าสุดท้ายก่อนที่จะสังเก น, นาวันรุ้งคืนเนี่ยท่านก็ยังไม่มีความก้าวหน้าในทางธรรม จนค่ำแล้วจนค่ำแล้วนะเวลาก็เหลือน้อยไปทุกทีแล้วนะเพราะว่ามันใกล้จะรุ่งเช้าแล้วท่านก็ยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์เลยแต่ว่าช่วงที่ตอนค่ำนั่นเองเนี่ยนะท่านก็รู้สึกว่าเป็นเพราะท่านคงเนี่ยทําความเพียรมากไปนะจิตจึงฟุ้งซ่านนะท่านก็เลยคิดว่าน่าจะพักสักหน่อย ถ้าไม่ได้คิดเลยนะว่าต้องรีบทํานะเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนี่จะหมดโอกาสแล้วแต่ท่านไม่สนใจนะท่านกลับมองว่าเนี่ยนี่สงสัยว่าเป็นเพราะเราทําความเพียรมากไปจิตจึงฟุ้งซ่านเพราะานั้นเนี่ยน่าจะพักสักหน่อยท่านก็เลยกลับไปทีวีหารแล้วก็จะล้มตัวเอนนอนนะระหว่างที่ท่านอยู่บนเตียงแล้วหัวนี่ยังไม่ถึงหมอนเลย เท้านี้ก็ยกจากพื้นแล้วด้วยอาการที่ผ่อนคลายนะใจผ่อนคลายจะเรียกว่าความเพียรนี้ท่านกลับมาสู่ความพอดีก็ได้ท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นเองเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะก่อนที่ก่อนที่ท่านเนี่ยก่อนจะถึงเวลาสังเกนาลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าโอ้เวลาเหลือน้อยแล้วนะนะเราต้องรีบทำนะต้องรีบทา ไอ้ความรีบของท่านนี่ก็อาจถ้าทำก็าาอาจทําให้ท่านเนี่ยไม่อาจจะบรรลุได้เลยก็ได้แต่ว่าท่านนะไม่ใจท่านไม่ไม่ห่วงเรื่องนั้นท่านเพียงแต่มองว่าเนี่ยที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดนี้นะที่ยังไม่ก้าวหน้าเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังวางเรียกว่าทำความเทียนมากเกินไปสมควรที่จะพักบ้างถ้าคนที่รีบเนี่ยนะก็จะไม่มีอารมณ์พักหรอกนะ ก็จะยิ่งต้องเร่งสปีดมากขึ้นพักไม่ได้เพราะว่าพักก็ทำให้เวลานี่มันล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ท้าไม่ได้คิดแบบ น, นั้ น, นแต่การที่ท่านคิดว่าเนี่ยนะต้องทำความเปลินให้พอดีก็คือต้องพักผ่อนบ้างใจที่วางไว้พอดีพอดีนะก็ทำให้สามารถจะเห็นธรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง แล้วก็เลยได้เป็นพระหันมาทันเวลาพอดีนะกับการที่จะสังขยานาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเราลึกว่าแม้เวลาของเราจะเหลือน้อยลงไปเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีและยังมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องทำมากมายเพราะว่าที่ผ่านมาผัดผ่อนรังเราขังเา แต่แม้เราจะมีอะไรที่ต้องทำมากมายแต่ก็อย่าอย่ารีบอย่ารนเราจะทำแลไรก็ตามก็ให้ใจยอยู่กับสิ่งนั้นให้ใจยอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวให้เรื่องที่ต้องทำอีกมากมายวางเอาไว้ก่อนแม้เราจะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนแต่ว่าของที่เราหรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันสำคัญที่สุด ใจก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นใจอยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยนะก็คือมีสติเต็มรอ้มย อ, ร อ, นะมรอยแต่ว่าความเพียรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะใจเต็มร้อยแต่ว่าความเพียรก็ต้องพอดีด้วยนะทาความเพียรเกินพอดีนะจิตก็ฟุง้งนซะ่านอย่างพระอนนท์ที่ท่านเป็นมาก่อนที่จะบรรลุธรรมหรืออย่างพระโสน่าที่เคยเลามอา3สวันก่อนว่าท่าน ทำความเพียรมากไปขนาดเท้าแต่ก็ยังเดินจงกลมทางเป็นทางนี่เป็นเลือดนะยาวเป็นทางเลยท่านก็ยังไม่ไม่ไม่คลายความเพียรเดินไม่ได้ก็คลานแต่ว่าความเพียรที่ท่านที่ท่านบําบเพ็ญ น, นี่มันอ่าเรียกว่ามันเกินไปก็ทําให้จิตฟุง้งซ่าน ทำความเพียรมากไปก็ฟุ้งซ่านนะทำความเพียรน้อยไปย่อหย่อนมันก็เกิดความเกียดคร้านต้องทำความเพียรแต่พอดีอันนี้เ็าเรียกว่าวิาริยสัมมาตาทำความเพียรแต่พอดีแต่ว่าใจนะเต็มร้อยมีสติเต็มร้อยกับสิ่งที่ทำอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคำนี้กลับมพร้อมกัน